ใครที่เดินผ่านเดินข้ามสะพานนะที่มันทอดนะข้ามสะเนี่ยนะเราจะสังเกตนะมีเห็นมีหมาอยู่สองตัวนะเลื้ยอยู่ที่นั่นเป็นประจําเลยนะชื่อหมูมู่กับเจ้าขาวหรือบางที่ก็เรียกว่าเจ้าเตี้ยนะเป็นเกลือกันเช้าๆนะหรือว่าแดดร่มลมตกหรือว่าเวลาอ่าบ่ายๆนะที่ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหรนะ่เนี่ย ล้วก็จะมานอน น, ะนอนทอดอารมณ์นะชมบิวทิทัดดูแล้วเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความสุขมากถ้าได้กินอาหารนะพอกินอาหารเราก็จะมานอนเล่นทั้งวันเนี่ยก็จะอยู่ตรงแถวๆนั้นละบนสะพานนะเหมือนกับว่าชีวิตนี้ก็พอใจแล้วนะไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้ฉันก็มีความสุขลนะ มีอาหารกินนะมีเพื่อนนะมีวิวทิวทัศน์ให้ชมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอามอในแง่นี้นี่ก็เป็นเป็นครูสอนเราได้มากเลยนะในเรื่องของการที่มีความสุขกับชีวิตที่ง่ายๆนะถ้าพูดในเรื่องของการเสพการบริโภคละเนี่ยนะมาสองตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดี คือชีวิตนี้ไม่มีอะไรมากเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากโลกมีกินมีที่พักมีเพื่อนมีอนาบริเวณพอสมควรก็มีความสุขแล้วซึ่งมันตายจากคนนะคนเราเนี่ยคนเราไม่ว่ามีเท่าไหร่นะก็ไม่เคยพอหรือว่าไม่รู้สึกมีความสุขสักทีไอตอนที่ได้มาหมายก็มีความสุขนะแต่ว่า พอผ่านไปสักพักเนี่ยความสุขก็หดหายไปก็ต้องหาสิ่งใหม่เข้ามานะเพื่อจะพยุงหรือว่าชุบชูใจให้มีความสุขมากขึ้นแล้วประเดี๋ยวนะความสุขมันก็ลดลงแล้วก็ต้องการอีกเรามีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนะมีเท่าไหร่ก็ไม่พบความสุขสักที มีเสื้อผ้านะมีรองเท้าได้มาแล้วก็ยังอยากจะหามาอีกตอนหลังก็มีเครื่องประดับนะมีโทรศัพท์มีแล้วก็อยากจะได้รุ่นที่มันใหม่กว่าแล้วก็ใหม่เรื่อยๆได้มาแล้วก็ยังอยากได้อย่างอื่นอยากได้รถได้รถมาแล้วก็อยากได้บ้านมีบ้านแล้วก็อยากอยากจะได้หลายคันบ้านที่ใหญ่กว่าเดิม ไม่มีความสุขสักทีเวลามีความทุกข์เวลามีความเลวร้อนใจเนี่ยนะลองนะมองไปที่หมาสองตัวนี้ก็ดีนะเพรามันเป็นเพราะมันมีความสุขแบบง่ายๆมากแต่ก็แน่นอนนะคนเราเนี่ยคนเราไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องของการเสพการบริโภคนะคนเรายังมีคุณค่ามากกว่า น, นั้นนะ ก็คือการกระทําสิ่งที่มีประโยชน์นะอันนี้เนี่ยมนุษย์เราเหนือสัตว์นะสัตว์นี่มันได้อาหารนะได้ที่พักนะมีอาณาเขตบริเวณของมันมันก็มีความสุขละไม่ต้องทําอะไรมากกว่า น, นั้นแต่ว่าคนเราเนี่ยนะเรายังควรทําตนให้เป็นประโยชน์ด้วยทําตนให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่ว่า มีกินแล้วก็พอเท่านั้นทําตนให้เป็นประโยชน์นะให้กับครอบครัวนะให้กับส่วนรวมให้กับประเทศชาติให้กับโลกนะอย่างพวกเรานะหลายคนมาที่นี่ก็เพื่อจะได้ปลูกป่านะนะเพื่อที่จะฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้เกิดมีขึ้นอันนี้ก็คือคุณค่ายอย่างหนึ่งนะที่มันเติม ความหมายของความเป็นมนุษย์ให้กับเราอันนี้เนี่ยมนุษย์เราดีกว่าสัตว์มากนะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการบริโภคการเสพแล้วนี่สัตว์นี่มันก็เป็นครูให้กับเราได้ก็คือการที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากชีวิตมากนะแค่มีอาหารอิ่มท้องนะหรือว่ามีอานาบริเวณแล้วก็มีความสุข สาระชินนี้เป็นแบบอย่างนะของการไม่สะสมการอยู่ง่ายซึ่งพระเจ้าก็แนะนำให้ดูเป็นแบบอย่างเช่นนกเนี่ยนกมันมีแค่ปีกสองข้างมันออกหาอาหารพอมันอิ่มแล้วมันก็พอแล้วมันก็ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรมากมีแค่ปีกสองข้างหรือว่าผีเสื้อเนี่ยผีเสื้อ ผู้เจ้านะแนะนำนะให้พระเนี่ยดูผีเสื้อเป็นแบบอย่างผีเสื้อเนี่ยมันดูดน้าดูดน้าหวานจากดอกไม้นมันอยู่ได้พอดอกไม้และมันก็ต้องการน้ำหวานจากดอกไม้แต่มันก็ไม่เคยทำให้ดอกไม้เนี่ยบอบช้าหรือว่าเสียสีเลยดอกไม้ก็ยังนะยังสวยยัง สมบูรณ์เหมือนเดิมมีหนำซ้ำเนี่ยก็ยังช่วยดอกไม้ด้วยนะพึ่งเนี่ยช่วยผสมเกอรเป็นการตอบแทนอันนี้ก็เป็นแบบอย่างนะที่สอนพระนะและที่จริงก็สอนมนุษย์ทั้งหลายด้วยว่าเมื่อเราเนี่ยต้องพึ่งพาใครก็ตามเช่นพระเนี่ยก็ต้องพึ่งพาคารวะก็อย่าไปรบกวนเขานะพึ่งพาพอสมควร โดยที่ไม่ทำให้เขาเดือดร้อนแต่ว่าแบบอย่างนี้มันใช้ได้กับมนุษย์ทั้งหลายนะเวลาเราพึ่งพาในเมื่อเราต้องพึ่งพาธรรมชาติเนี่ยปัจจัยสี่ของเรานะที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตเราก็อาศัยธรรมชาติทั้งนั้นแหละเช่นป่าลำห้วยลำทานผืนดินเราก็ควรจะดูแลรักษานะไม่ให้ เขาเดือดร้อนหรือว่าทาลายธรรมชาติให้มันเสื่อมโทรมลงไปแต่ทุกวันนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะว่ามนุษย์เราเนี่ยเอาเปรียบธรรมชาติมากไม่ได้รู้เลยว่าเราเนี่ยพึ่งพาธรรมชาติแค่ไหนเสร็จแล้วไอ้การที่เราเบียดเบียนจนกระทั่งทำลายธรรมชาติเนี่ยมันก็มีผลสะท้อนย้อนกลับมาที่เราทาให คุณภาพชีวิตของคนเรา น, ะนับวันก็จะแย่ลงนะเรากำลังเจอภัยธรรมชาตนะิที่คุกคามในหลายรูปแบบหลายลักษณะนะไม่ใช่แค่น้ำท่วมฝนแรงนะโรคระบาดนะแต่มาจจะรวมถึงการ เ, าเจอกับปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงจนกระทั่งอาต้องนะอพยพโยกย้ายกัน พูดถึงเรื่องการเสพการบริโภคเนี่ยนะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยนะเราสามารถจะถ้าเราเอาเรียนรู้จากสัตว์ต่างๆเนี่ยนะเราก็มีความสุขได้ง่ายนะจริงอยู่นะมาตรฐานนะการครองชีพของคนเราเนี่ยมันก็ต้องอสูงกว่าพวกสัตว์เดรัจฉานอยู่แล้วนะแต่ถ้าเรามาพิจารณาดูเนี่ยอะไรเนี่ย ทำให้เราไม่มีความสุขทั้งนั่นที่เราก็มีเยอะแยะไปหมดเด็กเดี๋ยววันเดี๋ยวนี้ก็มีความสุขได้ยากนะตอนเล็กๆก็อยากได้ของเล่นพอได้ของเล่นมันแล้วนะก็อยากได้อีกนะไอ้ที่มีก็ทิ้งเบื่อนะจากเลโก้นะมันก็ต่อมาเป็นเกมออนไลน์นะมีเครื่องเล่นเกมออนไลน์ Playstation แล้วก็ยังไม่มีความสุขก็ยังไม่พอใจมีเครื่องดนตรี จักเรียกร้องเอาเครื่องดนตรีกีตา้ามีแล้วก็ยังเรียกร้องอีกนะอยากจะได้เครื่องกีฬาราคาแพงได้เครื่องกีฬามันแล้วก็ขอเอาอคอมพิวเตอรนะ์ได้คอมพิวเตอร์มาก็ดีใจนะแต่ว่าดีใจไม่นานนะอยากได้อย่างอื่นอีกเช่นกล้องและตหลังก็โทรศัพทนะ์ก็ไม่พอใจสักทีนะ อันนี้เป็นเพราะอะไรนะถ้าจะว่าเวลาเนี่ยคนเราทุกวันนี้เนี่ยไอ้ความทั้งที่เรามีมากมายนะเรามีเยอะแยะไปหมดแต่เราก็ยังไม่มีความสุขนะนจะเรียกว่าไม่รู้จักพอก็ได้และความไม่รู้จักพอเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากความคิดนะคนเราทุกวันนี้มันทุบความคิดมากไอ้ความคิดที่มันคิดซับคิดซ้อนเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยหาความสุขได้ยากทุกทีนะความสุขมันกลายเป็นเรื่องยากทั้งๆทงี่มันเป็นเรื่องง่าย แต่ว่าความคิดที่ซับซ้อนเนี่ยมันทำให้ความสุขเป็นเรื่องไกลตัวออกไปเรื่อยๆนะมันมีเรื่องเล่าที่อาจจะเคยได้ยินนะนักธุรกิจคนนึงเนี่ยนะ ก, ก็ไปเจออ่าคุณลุงคนหนึ่งนะที่สะพานปลาแห่งหนึ่งลุงแกก็นั่งนะชมทะเลนะผ่อนอารมณ์อย่างสุขอย่างสุขใจนักธุรกิจก็ถามลุงว่าเนี่ย ทำไมไม่ไปหาปลาแกก็บอกว่าหาปลามาแล้วนะได้ปลามาแล้วนักธุรกิจก็ถามาทาไมไปไม่ไปหาอีกนะเพราะนี่มันยังมีอะไรต้องเยอะลุง ก, ก็ถามาหาทําไมนักธุรกิจก็ตอบเพ่อจะได้เงินไงมีเงินเยอะมีเงินเอาไปทําไมก็จะได้ไปซื้ อ, อเครื่องยนต์นะให้มันมีแรงมากขึ้นจะไดนะ้สามารถจะไปหาปลาในทะเลที่ลึกที่ไกล เ้าทําไปทําไมลุงถามก็ได้มีเงินเยอะขึ้นไงมีเงินเยอะไปทําไมเราก็ได้มีเรือมีเรือหลายลำมีเรือหลายลำไปทำไมก็ได้มีเงินเยอะๆมากกว่าเดิมเอาเงินไปทําไมนะก็ทําให้มีเรือเดินสมุทรนะไปหาปราณที่มันไกลออกไปเลยไม่ใช่แค่เอาไทยนะโน่นเลยนะไปไกลเอาไปทําไมนะเงินนะ่นะก็ได้มีความสุขไงลุงก็เลยตอบว่าก็ฉันมีความสุขอย่างไงตอนนี้ความสุขเป็นเรื่องง่ายนะก็ ทำไปหาปลามาได้เสร็จนะก็นั่งนั่งชมธรรมชาตินะอันนี้ก็เป็นความสุขนะที่มันหาได้ง่ายๆอิ่มท้องแล้วนะก็ชื่นชมธรรมชาติไปแต่ว่าคนสมัยใหม่เนี่ยนะเราทำความทให้ความสุขเป็นเรื่องยากนะกลายเป็นเรื่องซับซ้อนมากขึ้นอันนี้เพราะความคิดของมนุษย์เรานะที่มันคิดซับคิดซ้อนความคิดีมันก็มีประโยชน์นะ มันช่วยแก้ทุกช่วยแก้ปัญหาของเราได้มากทีเดียวเวลาเจ็บป่วยเราก็ใช้ความคิดในการวิเคราะห์ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะเวลาทำไรทำนานะมันมีปัญหาต้นไม้ไม่จเจริญงอกงามเราก็ใช้ความคิดเพื่อที่จะสืบสอบวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไรนะเราแก้ปัญหาเราบมบัดความทุกข์ได้ก็เนะพราะใส่ความคิด แต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะความคิดโดยเฉพาะถ้าเราคิดไม่ถูกคิดไม่เป็นนะมันก็ทําให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ได้ง่ายทาั้งๆที่เราก็มีทุกอย่างในชีวิตนะแต่เราก็ไม่มีความสุขพอหลายเพราะว่าเราเห็นคนหนึ่งเขามีมากกว่าเราพอเห็นคนหนึ่งเขามีมากกว่าเรานะเราก็อยากได้ไอ้ที่มีอยู่มันกลายเป็นไม่มีค่าไปแล้วและเรามีความทุกข์ได้ง่ายนะไม่ว่าเราจะได้อะไรมาเนี่ย ไอ้สิ่งที่เราได้มามันไม่ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงได้โบนัสมาห้าแสนนะมีความสุขดีใจแต่พอรู้ว่าเพื่อนเนี่ยเขาได้หกแสนหรือห้าแสนห้าแค่นี้เราก็เป็นทุกข์ละนะไม่พอใจละไปมีชาวบ้านคนหนึ่งนะเคยไปเล่าว่าเนี่ยไปไปซื้อไปซื้อไปแทงหวยนะสามตัว แกก็แทงไปสิบห้าบาทบอกก็ว่าถูนะแกก็ดีใจนะได้มาหกร้อยก็ไปอวดใครต่อใครนะว่าถูกปวยแต่พอไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งนะอยู่หมู่บ้านเดียวกันเขาแทงห้าสิบเขาก็เลยได้สองพันตัวเองได้หกร้อยแต่เพื่อนได้สองพันแค่รู้เท่านั้นนะไอ้ที่เคยยิ้มนี่นก็หยวเลย เราทุกข์ก็เปรียบเทียบกนะลองดูนะไม่ว่าแม้เราจะเจอโชคอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเรามองไม่เป็นหรือว่าเราคิดไม่ถูกนะมันทุกขนะ์นะไปซื้อของไปเที่ยวนะเชียงใหม่นะตลาดคนเดินหรื อ, อตลาดที่ขายของกลางคืนนะเจอย่ามชาวเขา500บาทเราต่อมาได้300เราดีใจนะกลับไปโรงแรม จะไปอวดเพื่อนวาเนียฉันซื้อมาได้สามร้อยบอกว่าเพื่อนบอกว่า เ, เอาย่ามจากร้านเดียวกันมให้ดูนะลายก็คล้ายๆกันก็บอกว่าเนี่ยเขาต่อได้สองร้อยตัวเองต่อได้สามร้อยแต่เพื่อนได้สองร้อยพอรู้แค่นี้นี่โมโหเลยนะทุกเลยทั้งที่ก็น่าจะดีใจนะเออห้าร้อยาคาติดเอาไว้เราได้สามร้อย แต่พอเองเขาเขาจ่ายน้อยกว่าเราเนี่ยทุกข์แล้วอันนี้ก็เรียกว่านะคิดไม่เป็นนะไอ้ความคิดหรือวิธีการมองไม่เป็นแบบนี้มันทำให้คนเราเนี่ยทุกข์ง่ายไม่ว่าจะได้มาเท่าไหร่ก็ทุกข์มีร้อยล้านมีพันล้านนะก็ยังกินไม่ได้นอนไม่หลับเมื่อวันสองวันก่อนก็มีเศรษฐีพันล้านนี่ยิงตัวตายอันนี้เป็นเพราะอะไรนะ มันไม่ใช่เป็นพ่อตัวเองมีน้อยนะมันไม่ใช่เป็นเพราะชีวิตเนี่ยมันไม่สะดวกสบายแต่เป็นเพราะว่านะเราคิดไม่เป็นความคิดที่ซับซ้อนของเราเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยนะที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันนะหรือว่าใช้ไม่เป็นนะมันก็กลับมาทำร้ายเราทําให้ชีวิตเนี่ยไม่มีความสงบสักทีมีมากเท่าไหร่นะชีวิตก็ไม่สงบนะ ไม่สงบในที่นี่มาถึงจิตใจนะได้เท่าไรจิตใจก็ไม่สงบเพราะว่าได้ไม่รู้จักพอสักทีหรือว่าเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราคิดให้เป็นที่ให้ถูกนะโอ้เราก็น่าจะมีความสุขได้ง่ายนะขอบคุณหนะ้าที่วันนี้ฉันนะยังไม่เจ็บไม่ป่วยขอบคุณหนะ้าที่วันนีนะ้ฉันยังมีคนรักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่ า, าลูกหลานนะอยู่กับฉัน ขอบคุณหนะ้าที่ฉันยังมีตามองเห็นขอบคุณหนะ้าที่ฉันยังมีหูที่ได้ยินนะฉันยังมีร่างกายที่เดินเดินไปไหนบานไหนได้ทำไมเราต้องขอบคุณนะเพราะเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีอย่างที่มีนะมันก็จะเสื่อมไปนะอย่างที่เราส่วนเมื่อสักครู่เนี่ยนะเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้น ถ้าลองคิดแบบนี้สับ้างนะว่าเออไอ้ที่เรามีวันนี่นะวันหน้ามันจะไม่มีนะวันนี้เราสุขภาพดีแต่วันหน้าเราอาจจะเจ็บจะป่วยน ะ, นะวันนี้เราวิ่งเล่นได้เดินเหินไปไหนมาไหนได้แต่วันหน้าเราก็อาจจะพิการหรือเอามาพึ่งอามาพาดหรือถ้าบังเอิญเราโชคดีมีอายุยืนจนกระทั่งอายุนะเก้าสิบือร้อยถึงตอนนั้นเร า, า จ, จะเดินไม่ค่อยได้นะคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะ ตอนที่เขาสุขภาพดีเขาไม่เคยรู้สึกเลยนะว่าการที่หายใจได้เนี่ยมันเป็นโชคนะมันเป็นสุขแล้วล่ะจงทาว่าเขาป่วยนะต้องเข้าห้อง ICU แล้วต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหายใจแต่ละทีมันทรมาร์เหลือเกินถึงตอนนั้นหละจึงรู้ว่าโอการที่ตอนที่เราสุขภาพดีมีลมหายใจหายใจได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นความสุขแล้วไอตอนที่แกจนกระทั่งจะเดินไม่ได้แล้วเนี่ย หลายคนนะยืนกลางที่จะเดินให้ได้นะถึงแม้ว่าลูกหลานกลัวว่าจะเดินแล้วล้มนะแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ขอเดินเองดิ้นหล่นนะที่จะขอเดินเองไปห้องน้ำั้งทีก็เดินกระย่องกระแย่งพยาบาลหรือลูกหลานจะช่วยพยุงก็ไม่อยากให้ทํานะเพราะว่าฉันอยากจะเดินเองนะการเดินด้วยตัวเองนี่มันกลายเป็นเรียกว่า สิ่งสําคัญในชีวิตขึ้นมาทั้ง ท, ที่ตอนที่เราเดินได้เองเนี่ยนะพราะยังเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือยังเด็กอยู่เนี่ยไม่เคยเหความสําคัญเลยไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นความมันเป็นโชคเพราะอะไรเพราะว่าเราไปสนใจสิ่งที่เรายังไม่มีเราสนใจสิ่งที่เรายังไม่มีแล้วเราก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เรายังไม่มีนะไม่ว่ามันจะเป็นรถยนต์มันจะเป็นบ้านตําแหน่ง สถานภาพคนเราทุกวันนี้ทุกเพราะสิ่งที่ยังไม่มีใจไปจดจ่อยอยู่กับสิ่งที่ไม่มีถ้าคนเราย้อนกลับมาหันมาชื่นชมสิ่งที่เรามีเนี่ยจะพบวความสุขมันง่ายเพียงแค่ชื่นชมสิ่งที่เรามีเนี่ยเราก็จะมีความสุขได้ง่ายมากแต่เป็นเพราะเราเนี่ยนะมองไม่เป็นเรานึกถึงแต่สิ่งที่เรายังไม่มีนะเราไม่เห็นความสำคัญของสิ่งที่เรามี แล้ววันหนึ่งนะถ้าสิ่งที่เรามีมันหมดไปหายไปวันนั้นแหละนะถึงจะรู้สึกเลยว่าเราปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยไปเมื่อสักปีก่อนเนี่ยมันมีมันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุก็ไม่มากสิบไม่ถึง20แหละเป็นนกักกีฬากีฬาเป็นกีฬาใหม่นะเรียกว่าคาราเต้โดนะคาราเตโดยูดโดกับคาราเต้ เธอเนี่ยนะหมายมั่นนะที่จะเอาเหรียญทองให้กับประเทศไทยในการแข่งในกีฬา4ีเกมให้ได้เหรียญทองนี่สำคัญมากเพราะมันเป็นมันจะเป็นเหรียญแรกของประเทศในกีฬาชนิดนี้นะแกก็ตั้งใจฝึกฝนอย่างดีแล้วก็โชคดีนะมีพ่อมีพ่อเนี่ยที่เป็นโค้ดส่วนตัวนะช่วยฝึกให้เธอเนยะ เธอก็เขี่ยวเขียนตัวเองอย่างอย่างอย่างมากทีเดียวนะพ่อก็ช่วยอย่างเต็มที่เพราะมุ่งมั่นมันเนี้ยจะต้องคว้าเหรียญทองมาให้กับตัวเองแล้วก็ประเทศชาติได้เสร็จแล้วนะนสุก็ได้เดินทางไปฟิลิปปินส์นะตอนนั้นอ่าฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพนะสี่เกมและสุดท้ายเนี้ยเธอก็ได้เหรียญทองนะสมกับที่ได้ตั้งใจเอาไว้ดีใจมากมีความสุขมากนะ บรรลุถึงความไฝ่ฝันในชีวิตนะเป็นเหรียญทองแห่งเหรียญแรกในประเทศนะในกีฬาชนิดนีก้ก็มีการเลี้ยงฉลองกันนะตอนเย็นพอฉลองกันเสร็จนะโค้ชทีมชาติก็มาบอกกับเธอว่ามีข่าวร้าจะแจ้งนะพ่อเธอเสียชีวิตแล้วเมื่อสองวันก่อนแต่ไม่ได้แจ้งให้เธอทราบเพราะกลัวว่าเธอเนี่ยจะไม่มีกาลังใจนะเล่นคาราเต้โด โค้ก็เห็นว่าเนี่ยนี่คือความฝันในเชียงเธอก็ไม่อยากให้ความฝันมาหลุดลอยไปพอเธอรู้ว่พ่อเสียชีวิตในเธอร้องไห้โฮเลยนะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยไอ้เหรียญทองที่ฉันไม่เอาละขอพ่อคืนมาตอนนั้นเนี่ยเธอถึงเธอเธอเพิงงง่งรู้ว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีค่าสําหรับเชียงเธอมันไม่ใช่เหรียญทองมันคือพ่อแต่ตอนนั้นไม่เห็นก่อนนั้นน่าไม่เห็นไปคิดว่าเนี่ย ชีวิตนี้จะต้องให้ได้เหรียญทองให้ได้ถ้าไม่ได้นี่ฉันจะทุกข์มากเลยถึงตอนนั้นเธอจึงรู้ว่าถึงแม้ไม่ได้เหรียญทองนะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเพราะว่ามันมีสิ่งที่สําคัญกว่าคือพ่อมาเห็นว่ามารู้ว่าพ่อนี่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือตอนที่พ่อเสียไปแล้วะคนเราเนี่ยนะมักจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีเนะี่ยก็ต่อเมื่อมันเสียไปแล้วไม่ใช่จะพ่ออย่างเดียวนะอย่างอื่นด้วยอาจจะเป็นอ่า อวัยวะนะที่มันอยู่ติดตัวกับเรามาตั้งแต่เกิดอาจจะหมายถึงเพื่อนอาจจะหมายถึงสิ่งดีๆที่เรามีไอตอนที่มีไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นความสุขมันเป็นโชคเลยนะต่อเมื่อเสียไปเนี่ยถึงค่อยเห็นและถามว่าทำไมตอนที่มีเนี่ยถึงไม่รู้สึกว่ามีความสุขเพราะใจเนี่ยมันไปจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นที่ยังไม่มีนะ อะไรก็ตามที่เรายังไม่มีนะั้นเราจะเห็นค่ามันมากและเห็นค่าอีกตอนนึงคื อ, คอตอนที่มันเสียมันไปนมันมีสองช่วงเท่านั้นแหละที่คนเรามักจะเห็นค่าของสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็คือตอนที่ยังไม่ได้มันกับตอนที่เสียมันไปแต่ตอนที่มันยังมีอยู่กับเราเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะนึกว่าเป็นของตายนะหรือเพราะคิดว่ามันยังไม่พออยากได้อีกงั้นคนเราจริงจริงเนี่ยความสุขมันง่าย ความสุขใจของเราเนี่ยมันหาได้ง่ายโดยเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยความสุขกายเนี่ยมันกลายเป็นสิทธิพื้นฐานของเราไปแล้วนะเราเกิดมาเนี่ยนะมันก็มีความสดกสบายทางวัตถุนะมากมายโดยเพราะจะเป็นคนชั้นกลางเนะี่ยไม่ใช่เป็นพวกชาวบ้านที่ยากจนเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเล็กจนโตก็มีความสุขกายแต่เพ็นเพราะความคิดที่ซับซ้อนนะมองไม่ถูกวางใจไม่เป็นเนี่ย ให้ความสุขที่มีอยู่มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ดูเหมือนไกลเกินเอื้อมมันไม่ได้ไกลเลยมันมีอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นเองนี่ลองนะกลับมานะกลับมากลับมาพิจารณากลับมา ค, คลายครวญแล้วก็ชื่นชมสิ่งที่เรามีเราจะพบว่าความสุขมันอยู่กับเราแล้วนะแล้วก็มันอยู่กับอยู่กับเราตลอดเลยนะยิ่งถ้าเราเนี่ยนะตระหนักว่า นะสิ่งที่ต้องทําให้มากกว่า น, นั้นก็คือการที่เราฝึกจิตฝึกใจเพื่อที่จะพร้อมรับมือกับเวลาที่ไอความสุขเรานี่ยมันหายไปเพราะมันไม่เที่ยงเนะพราะวัยที่แก่ชาราเพราะว่าสิ่งที่มีต้องพัดพรากไปถึงเวลาที่มันพัดพรากไปถึงเวลาที่เจ็บป่วยถึงเวลาที่สูญเสียเราก็ยังรักษาใจให้เป็นสุขอยู่ได้นะและนี่แหละนะคือ นะคุณค่าของธรรมะนะที่เราควรจะให้ความสําคัญหมาเนี่ยนะวันนี้มันมีความสุขนะแต่เมื่อใ่ก็ตามที่มันป่วยเมื่อใดก็ตามที่สิ่งว่าร้อนแปลเปลี่ยนไปมันทุกข์แต่คนเราเนี่ยทำได้ดีกว่า น, นั้นก็คือว่าแม้มันจะแปลเปลี่ยนไปแต่ว่าเราก็สามารถรักษาใจให้เป็นสุขไดนะ้เพราะว่าเราได้เตรียมตัวล่วงหน้าเราได้ฝึกเอาไว้เราไม่แค่ไม่ใช่แค่พอใจนะกับสิ่งที่มีแต่เราตระหนักว่า แม้สุขที่มีก็ประมาทไม่ได้เพราะนั้นก็เตรียมใจเพื่อจะจะรับกับความเปลี่ยนแปลงแล้วถึงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปก็ยังสุดอยู่ได้อาล่ะค่ำนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้กคาัะ